จำได้ว่าผมเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนดรเทพคนนี้สำเร็จปริญญามาจากยุโรปขากลับเมืองไทยเรือบินอับปางพุ่งลงก้นทะเลหาศพกันไม่ได้ทั้งลำเรือรายนามผู้โดยสารทั้งหมดประกาศโรคในหนังสือพิมพ์ทั้งลงรูปภาพดรผู้นี้อยู่ชัดเจนผมได้ข่าวว่าพระภิกษุนบที่ท่านไปบวชอยู่วัดสแก อ, อ, อําเภออุทัยจังหวัดอยุธยา ได้กลับเข้ามากรุงเทพและจําพรรษาอยู่ที่วัดระฆังฝั่งทนบุรีผมชอบพอกับนิสัยของท่านตั้งแต่ยังไม่ได้บวชและอยู่ในกรุงเทพจึงรู้สึกอยากจะพบท่านด้วยความคิดถึงคิดแล้วก็สุ่มข้ามฟากไปวัดระฆังเที่ยวถามหาพอรู้จักกุติก็ตรงขึ้นไปเลยเอา้าวสมัยเหรอท่านเห็นผมก่อนและจําได้จึงร้องทักก่อนครับผมผมรีบตอบรับท่านแล้วกราบท่านตามระเบียบ แม้ยังไงเนี่ยคิดถึงมากเหรอตั้งแต่จากไปบวชก็ไม่ได้พบกันอีกเลยท่านว่ากระผมคิดถึงท่านมากขอรับแต่ว่าอยู่ที่วัดอายุทยาไกลไปหน่อยเยี่ยมท่านยากและทั้งการงานก็รัดตัวด้วยในระหว่างผมพูดและท่านฟังก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีอ๋องานมากอย่างงั้นงานก็คงดีขึ้นสิแล้วงานที่เก่าเป็นยังไงบ้างล่ะสมัยท่านพูดเสียงแจ่มใสยอย่างเคย อย่างที่จำเสียงกันได้เมื่อครั้งกระโน้นท่านจากไปนานและตัวของกระผมเองก็ไม่ได้ส่งข่าวให้ท่านได้ทราบว่าผมได้เปลี่ยนที่ทำงานแล้วเพราะที่เก่านั้นมันก็เพียงเด็กส่งหนังสือของห้างแล้วเหตุใดจะสามารถใช้คำว่างานรัดตัวท่านคงคิดว่าผมคงได้หน้าที่ใหม่แล้วจึงมีงานสูงขึ้นไปกระผมยังไม่ได้เรียนท่านว่ากระผมไม่ได้ทางานที่เก่าแล้ว ไปทำอยู่ที่โรงงานทํายารักษาโรคต่างๆโรงงานนี้อยู่ในเขตอําเภอสัมพันธวงศ์ครับผมอ๋อท่านร้องและเลิกคิ้วแล้วใครเป็นเจ้าของละ่ะเจ้าของของโรงงานนี้เนี่ยท่านเป็นเศรษฐีบุญตั้งเป็นผู้ดีจีนเก่าแต่กระผมน่ไม่คุ้นเคยกับท่านดอกครับที่ได้เข้าไปทําที่นี่นะก็โดยคุณสุรินลูกเขยของท่านแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงงานนี้อืมแล้วมียาอะไรบ้างละ่ะ ท่านถามโอ้ยหลายอย่างครับคนเราเจ็บไข้โรคอะไรกันบ้างยาก็มีอย่างนั้นแหละครับคุณนบหวัวเราะและพยักหน้าอย่างเข้าใจคําพูดของผมดีใจคอเขาดีหรือเปล่าล่ะคุณสุรินทร์พู้จัดการเนี่ยใจดีมากครับเป็นคนยิ้มพูดง่ายเข้าใจง่ายคุมงานด้วยอารมณ์พ่อบ้านพ่อเมืองไม่รุนแรงแล้วก็เหี่ยมเกรียมกับคนงานกระผมเนี่ยเป็นเสมียนประจําตัวแกทีเดียวครับ อ๋อดีมากดีมากได้นายดีก็ดีใจด้วยทีเดียวกระผมอยู่ที่นี่เสียอย่างเดียวก็คือกลางคืนไปไหนไม่ค่อยได้เลยครับผมว่าอ้าวทำไมล่ะท่านถามส่วนขึ้นคือว่ากระผมเนี่ยกินนอนอยู่ที่ตึกใหญ่นั่นเลยทีเดียวครับผมบังเอิญกระผมมีวิชาดนตรีไทยอยู่บ้างและที่ตึกนั้นเนี่ยชอบดนตรีไทยมาก คุณเรณูภรรยาของคุณสุรินทร์จึงขอร้องให้ผมเยหัดวิชาดนตรีไทยให้กับน้องสาวแล้วก็น้องชายของแกกลางคืนเนี่ไปไหนไม่ได้เลยครับต้องสอนต้องซ้อมอยู่ทุกคืนอ้าวนั่นแหละทางดีไม่เปลืองค่าเที่ยวเตะแล้วการเล่นดนตรีก็ดีนะเป็นวิชาหนึ่งศิลปะหนึ่งที่ควรฝึกฝนฝึกซ้อมเสมอเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปท่านพูดก็ดีหรอกครับ แต่ว่าผมเบื่อนิสัยของคนบ้านนี้เต็มทนทุกๆคนในตึกนั้นเนี่ยถือตัวไม่ยอมจะรู้จักใครและสังคมกับใครนอกบ้านตัวเองก็ไม่ยอมออกจากตึกไปไหนแม้แต่คนใช้ในตึกก็ไม่ออกจากตึกจะซื้อจะหาอะไรมีคนใช้ภายนอกซื้อมาให้อีกทีหนึง่งแต่ก็ไม่ยอมให้คนใช้ภายนอกนี่เข้าตึกมีคนนอกคนเดียวเท่านั้นก็คือตัวกระผมที่เข้านอกออกในได้มีห้องเล็กๆ ภายในตัวตึกนั้นให้อาศัยเป็นห้องชั้นล่างก็สบายดีมากครับผมตึกนั้นเก่าแล้วก็ใหญ่มากเป็นแบบจินจีนผู้ดีเก่าๆตึกนี้มีหลายคนก็จริงแต่ว่าอยู่กันแบบเงียบๆจะพูดจะจาอะไรก็เบาๆไม่เอะอะตึงตังนอกจากเสียงดนตรีเท่านั้นที่ดังมีผู้หญิงสวยๆหลายคนนะครับแต่สําหรับกระผมนั้นเนี่ยนอกจากสอนดนตรีแล้วก็พูดกันในเรื่องทางวิชาการแล้ว ก็ไม่มีอะไรอีกส่วนตัวจะพูดกันได้ทุกๆคนก็ถือตัวกันนักมองคนอื่นอย่างรังเกียจเดีย๋ยวว่าแต่จะไม่พูดไม่จาติดต่อกับใครด้วยเท่านั้นแม้แต่มองเนี่ยยังไม่อยากจะมองเลยอืมก็เป็นบ้านที่แปลกอยู่นะท่านพูดอย่างแปลกใจเขาไม่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรอ อ, อ๋อไม่เลยครับตั้งแต่กระผมไปอยู่กินที่นั่นก็ไม่เห็นมีใครไปไหนเลยแล้วก็ไม่เคยมีแขกมาหาเลยสักคนเจ้ายดเจ้าอย่างเหลือเกิน ทุกๆห้องในตึกนั้นเนี่ยมีกลิ่นหอมของเครื่องประทินผิวฟุ้งไปหมดผู้หญิงสาวชายหนุ่มและไม่หนุ่มก็เดินผ่านกระผมไปนี่มีกลิ่นหอมทั้งนั้นแต่งกายรู้ราผ้าดีๆ ด, ดูเหมือนคนบ้าแต่งตัวสวยๆแล้วเดินไปเดินมาอยู่ในตึกนั้นนั่นเองไม่ได้ไปไหนถ้าจะเป็นตระกูลที่ตรณีขี้เหนียวไม่ยอมเสียเงินเที่ยวเตะสินะคุณนพพูดก็มีเชิงครับกระผมสอนถ้าเขาชอบใจดีใจ เขาก็ให้รางวัลได้ง่ายๆส่วนการกินเนี่ยก็ฟุ่มเฟือยนะรับประทานแต่ของดีๆทั้งนั้นเหล้าก็ดื่มเหล้าดีราคาแพงกระดผมชักจะเคยตัวพวกนั้นก็ปรนเปลอผมจนเคยตัวดื่มเหล้าเลวไม่ค่อยได้ความจริงอะไรๆบ้านนี้เนี่ยเขาก็ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยบำรุงความสุขได้พอกับฐานะหากแต่ไม่ยอมสังคมกับใครเท่านั้นเองซ้าร้ายคุณสุรินทร์ ผู้จัดการคนนี้เนี่ยพลอยไม่เที่ยวแล้วก็ไม่ไปไหนเหมือนกับคนในตึกนั่นแหละถ้าคุณเรนูคนที่เป็นภรรยานี่เขาจะขอร้องให้อยู่กับตึกแล้วก็เลยมาลั่นถึงกระผมเข้าด้วยนะสิขอรับประธานข้าวเย็นเรียบร้อยซ้อมดนตรีคุณสุรินทร์ทอนก็นั่งฟังบ้างไม่ฟังบ้างนอนตั้งแต่หัวค่ําคุณเรนูภรรยาน่ะก็เล่นดนตรีจนเลิกพร้อมๆกันกันกบพวกน้องๆพี่ๆดีสิเขาทําอย่างนั้นได้เขาก็รวย ถ้าสมัยทำได้ก็มีหวังเห็นหน้าเป็นเศรษฐีในเร็วๆนี้นี่แหละคุณนพพูดแล้วก็หวัวเราะท่านตักเตือนไปในแนวผู้ใหญ่ถือการเก็บเงินของหลักที่จะสร้างตัวในวันหน้าแต่ผมฟังใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างเพราะไม่ชอบการที่หมกตัวไม่คบค้าสมาคมกับใครบ้างเลยมีวันแต่จะแคบลงแคบลงจะได้พูดได้คุยกันก็เฉพาะคนในตึกด้วยกันอีกหน่อยก็กลายเป็นคนโลกล้านปี เลิกดนตรีแล้วก็นอนคนจะพูดและได้คุยมากหน่อยก็มีแค่คุณสุรินทร์นและคุณเรนูพวกหัดดนตรีจะพูดอะไรมากไปกว่าเรื่องเพลงเรื่องวิธีการเล่นก็จะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเขาไม่สนิทกับผมในทางอื่นพอเลิกซ้อมเขาก็ต่างคนต่างกลับห้องพักซึ่งภายในตึกนั้นก็มืดมืดทึมทึมสว่างเพียงสลัวสวเป็นบางแห่งเท่านั้นตึกใหญ่ๆทํามืดมากกว่าสว่างก็ดูน่ากลัว ผมกราบลาคุณนบจากวัดระฆังกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันค่ํา ม, มืดยังไม่ทันรับประทานอาหารเย็นตามกฎเกณฑ์ของที่นั่นการรับประทานอาหารของเขาเราแยกห้องอาหารกันห้องที่ผมรับประทานนั้นเป็นห้องของคุณเรณูกับคุณสุรินทร์ฉะนั้นเราจึงรวมอยู่กันเพียงสามคนพออิ่มแล้วก็เข้าห้องดนตรีซ้อมร้องเพลงเก่าๆที่ต่อไว้วันก่อนให้เรียบร้อยในค่านั้นผมเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งแปลกหน้ามาใหม่ มาร่วมสังคมอยู่ด้วยดูคนคนนี้สนิทสนมกับคุณสายรุง้งน้องสาวคุณเรนูอีกคนหนึ่งมากหนุ่มผู้นี้เป็นใครผมไม่รู้จักแต่มันแว่วๆว่าผมจะเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนสังเกตจะมีอะไรในในกับคุณสายรุ้งคนสวยเอาการอยู่แต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์อะไรจะคิดเรื่องเขาและมองเขามากนักมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปตามหน้าที่ การจะพบจะเห็นพวกในตึกทั้งหมดนี้ก็ต่อเวลากลางคืนเท่านั้นตอนเช้าจะเห็นคนบ้างก็เฉพาะคนใช้หญิงที่เดินอยู่เล็กๆในตึกที่มีอากาศสลัวๆผมอยู่ชั้นล่างจึงไม่พบกับพวกผู้ดีทั้งหลายที่อยู่ชั้นบนรับประทานข้าวแล้วก็แต่งตัวออกไปทำงานที่โรงงานข้างนอกเขตในตอนบ่ายวันนั้นผมถูกเรียกตัวเข้าไปในตึกคุณเรนูบอกผมว่าท่านเศรษฐีบุญตั้งต้องการพบโดยมีธุระจะใช้ ผมออกจะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยธรรมดาผมไม่เคยพบนายห้างใหญ่เลยหน้าตาก็ไม่เคยเห็นแต่เมื่อเรียกตัวก็ต้องไปตามบัญชาเพราะเป็นลูกจ้างเขาท่านผู้เฒ่านั่งอยู่ในห้องรับแขกใหญ่ที่มีแสงสว่างเพียงมองหน้ากันเห็นเอาละนั่งลงได้เสียงบัญชาจากปากนายห้างอย่างช้าๆท่านนั่งอยู่ที่เก้าอี้ประดับมุกตรงที่ไม่ค่อยสว่างนักจึงมองหน้าท่านไม่ค่อยถนัด ฉันเนี่ยมีธุระจะใช้เธอท่านพูดนอกจากเธอก็ไม่มีใครเหมาะในธุระนี้ผมนิ่งนั่งฟังคำบัญชาอยู่โดยไม่ออกปากถามอะไรท่านฉันจะให้เธอนำรถไปรับคนสองคนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงตอนตีสี่คืนนี้สองคนนั้นจะมาจากนาครสวรรค์รถเที่ยวดึกเป็นหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งท่านพูดแค่นี้แล้วนั่งนิ่งกระผมไม่รู้จักท่านทั้งสองนั้นเกรงจะไม่รู้เรื่องกัน ผมพูดอย่างหนักใจอ๋อง่ายมากท่านว่าผู้หญิงจะคลุมหัวด้วยผ้าดำแต่งตัวขาวทั้งชุดแต่ฝ่ายชายฉันไม่รู้ว่าเขาจะแต่งตัวอย่างไรจงถามหญิงนั้นว่าเขาชื่อจิตราใช่ไหมถ้าใช่ก็รับมาเขารู้อยู่แล้วว่าฉันให้เธอไปรับเขาครับผมผมรับคำของท่านอย่างนอบน้อมเอาละเธอบอกกับสุรินทร์เถอะว่าฉันต้องการอย่างนั้นเขาจะจัดรถให้เธอเอง เมื่อหมดคำบัญชาแล้วผมจึงกลับออกไปที่โรงงานรายงานกับคุณสุริทนทร์ตามที่ได้รับบัญชาจากนายห้างมาคุณสุริทนทร์ฟังแล้วพยักหน้าเดี๋ยวฉันจะจัดรถให้คืนนี้สมัยอย่าเล่นดนตรีดึกนะักก็แล้วกันนอนแต่หัวค่ำปล่อยให้เขาเล่นกันเองก็แล้วกันฉันจะให้ในายทองก้อนคนรถของโรงงานเนี่ยจัดรถไว้คอยเธอนะผู้จัดการสั่งคืนนั้นผมตัดใจนอนแต่หัวค่า หูฟังเขาเล่นดนตรีกันคืนนั้นขาดผมไปก็เล่นกันผิดบ้างถูกบ้างความจริงที่ผมพูดว่าเบื่อหน่ายที่จะไปไหนกลางคืนไม่ต้องทนซ้อมดนตรีนั้นที่แท้ผมก็มีใจสมัครอยู่บ้างและคล้ายจะมีใจห่วงใครสักคนในวงดนตรีนั้นก็คือพี่สาวคนโตของคุณเรนูซึ่งมีอายุแก่กว่าผมมากแต่ว่าแกสวยแบบเรียบเรียบเยบือกเยน็นน่าซึ้งใจผมได้ตกอยู่ใต้อานาจของแกด้วยดวงตาที่หวานซึ้ง และมักมองศตากับผมอย่างมีความหมายลึกๆและกินใจยิ้มน้อยๆของเธอนั้นช่างหวามใจยิ่งนักมีกลิ่นตัวหอมเย็นคล้ายน้ำอกที่มีกํายานเจือผมนึกขันตัวเองที่มีจิตอัดเอื้อมชนิดมีในในกับคนแก่คราวพี่คนโตเรื่องนี้ผมปกปิดนักเพียงนึกคิดอยู่ในใจเนื่องจากอายตัวที่ไม่เจียมกาลาหัวทั้งเกรงกลัวคุณเรณูและคุณสุรินทร์อยู่อย่างมาก เธอกับผมมันผิดกันราวฟ้ากับดินทั้งฐานะและอายุมันเวรกรรมอะไรไม่ทราบจึงเป็นไปดังนั้นน้องสาวคุณเรนูสวยๆหลายคนผมกลับไม่สนใจหรือจะเกิดจากว่ายิ่งสวยยิ่งสาวผมยิ่งประมาณตัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดรักกันเข้าแล้วนำหน้าอย่างผมจะเอาอะไรเป็นสมบัติไปสู่ขอเขาเล่าใจของผมก็เลยหนักไปทางคนแก่หน่อยคิดว่าคงไม่มีใครจะห่วงแหนเท่าสาวๆาว อีกประการหนึ่งจิต ท, ที่ตั้งไว้ว่าคุณมาลีที่สวยอย่างแก่ๆนี้แม้ว่าสนาผมจะเป็นไปไม่ได้ผมก็มักจะเก็บความรักไว้ในใจขอเป็นความฝันไปตลอดชีวิตเวลาตีสากว่าๆผมได้ออกรถไปกับนายทองก้อนตามคำสั่งในห้างเรานั่งคุยกันมากกว่าจะถึงหัวลำโพงมีปัญหาอยู่ว่าช่างพี่เรนนักกลางวันมีเวลาถมเถไมมากรุงเทพ เกิดจะมาตอนดึกให้มันลำบากแก่ผู้มารับเล่นแบบนี้แต่เราลูกจ้างเขาเข้าใช้ก็ต้องทำตามคำสั่งผมให้ในายทองก้อนคอยอยู่ที่รถส่วนตัวของผมเองเข้าไปรับเขาที่ชานชลาหัวลำโพงคอยขบวนรถไฟสายเหนือในเที่ยวนั้นมีผู้คนนั่งรอกันอยู่ตามเก้าอี้ในสถานีรถไฟคล้ายกับจะรอใครที่มาในรถไฟเที่ยวดึกเหมือนกับผม แต่ก็มีไม่มากคนนักเพราะว่ามันผิดเวลาที่มนุษย์ธรรมดาจะมารถขบวนนี้หากไม่มีธุระด่วนจริงๆก็ไม่มาขบวนนี้แน่นอนพอนาฬิกาตีสี่ครึ่งรถก็เข้าเทียบสถานีมีคนเหลือลงหัวลำโพงไม่มากนักคงจะแวะลงตามทางซะส่วนใหญ่ผมมองดูที่หน้าต่างรถคันหนึ่งเห็นมีหญิงสาวคนหนึ่งคลุมหัวด้วยผ้าดากันผมยุ่งสวมเสื้อขาวแต่ยังไม่เห็นเธอตลอดทั้งตัว ก็ไม่รู้ว่าเธอแต่งชุดขาวทั้งตัวหรือเปล่าจึงไม่กล้าเข้าไปถามชื่อแต่แปลกใจอยู่ว่าหญิงคนนั้นก็มองดูผมแล้วซ้ำยิ้มให้ผมซะอีกผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้หน้าต่างแล้วลองถามชื่อก่อนถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษเธอเออคุณจิตราใช่ไหมครับเธอหัวเราะแล้วพยักหน้าพร้อมกับรับคำว่าใช่มารอนานไหมคะเธอถามผม อ, อ๋อไม่นานเลยครับคุณมีของอะไรบ้างผมรีบตัดบท มีกระเป๋าสองสามใบค่ะเธอตอบและทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งโผล่หน้าแซงเธอออกมาดูผมพร้อมกับส่งกระเป๋าเดินทางลงมาผมรับแล้วก็มาวางไว้ที่พื้นชานชาลาชายหนุ่มคนนั้นมองดูผมอย่างพินิษพิเคราะห์มองหน้าหญิงที่มาด้วยทีหนึ่งมองผมที่นึ่งคล้ายจะสงสัยอะไรในใจหญิงคนนั้นยิ้มให้แล้วสั่นศีหนเชิงจะบอกว่าอย่าสงสัยเลยแล้วก็พยักหน้าเชื่อใจ ชายคนนั้นก็ส่งกระเป๋าใหญ่ลงมาอีกส่วนใบเล็กอีกใบแม่หญิงก็หิ้วเองพอลงจากรถไฟแล้วมายืนที่ชันชลาสถานีชายคนนั้นแอบมองดูผมอีกผมก็ทำเป็นไม่รู้ตัวแต่ว่าใจคอไม่สบายเลยที่มีคนมามองผมอย่างสงสัยอะไรเช่นนั้นสองคนนี้ถ้าไม่ใช่คนที่นายผมให้มารับเป็นได้เจรจากันบ้างล่ละผมแอบจำเลืองดูเขาบ้างก็เห็นเขามองดูเท้าผมทาเอาผมสะดุ้งใจ แอบก้มดูเท้าตัวเองว่าหรือผมใส่รองเท้าผิดข้างหรือว่าใส่แดงข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งแต่มันก็เรียบร้อยดีนี่ผมชักไม่พอใจที่มามองกันอย่างที่เขาพูดพูดกันว่ามองอย่างเหยียดหยามคือมองตั้งแต่หัวตลอดเท้าแต่เสมียนตอกต่อยอย่างผมจะมีทางพูดอะไรทำอะไรได้นอกจากนิ่งและอดทนทางานในตามบัญชาผมพาหนุ่มสาวที่ผมไม่ชอบใจมาส่งเข้าตึกใหญ่ได้ตอนตีห้าพอดี ในทองก้อนกลับไปบ้านผมเข้านอนห้องนอนตัวเองและคิดถึงหนุ่มสาวคู่นั้นผู้หญิงไม่มีทีท่าอะไรเลยเฉยๆมีกิริยากันเองแต่ว่าในหนุ่มคนนั้นมองผมอย่างระแวงอย่างไรพี่ลึกไม่ใช่กิริยาของคนหึงหวงที่พวกหนุ่มๆด้วยกันมักจะระแวงไว้ก่อนเมื่อเห็นคนที่มารับเป็นคนหนุ่มทั้งหญิงที่มากับเขาได้แสดงกิริยาสนิทสนมกับผมเอง อาการมองดูผมนั้นมันเป็นอาการของคนที่ไม่ไว้ใจผมในด้านที่ผมไม่น่าจะคบค้าสมาคมอาจจะเป็นคนที่หลอกลวงต้มตุนเขาทั้งคู่ทำนองนั้นเมื่อผมส่งตัวทั้งคู่เข้าตึกใหญ่ผมสังเกตว่าแม่หญิงทีท่าว่าจะคุ้นเคยกับตึกนี้ดีทีท่าว่าจะเคยอยู่มาก่อนหรือไม่ก็อาจจะเคยมาบ่อยๆเธอบอกกับผมว่าถึงบ้านแล้วไม่ต้องห่วงเธอกล่วาล ว, อวาขอบใจผมแล้วก็เดินขึ้นตึก แต่นายหนุ่มนั้นกวาดตาดูสถานที่อย่างหวาดกลัวซึ่งมองเห็นได้ถนัดตาหน้าประหลาดนักที่ว่านอกจากระแวงในตัวผมแล้วยังระแวงในสถานที่ซึ่งตนกํำลังเหยียบย่างเข้ามาอีกตามที่ผมสังเกตกิริยาของหนุ่มสาวนี้ที่มีต่อกัน<อ>ก็เห็นชัดว่าทั้งคู่คือผัวเมียกันนั่นเองแล้วอะไรล่ะจึงทำให้ฝ่ายชายมาหวาดกลัวในเมื่อมากับเมียตัวเองแท้ๆขั้นแรกก็ระแวงในตัวผมก่อน แล้วจึงมาระแวงสถานที่ดูจะมีอะไรซับซ้อนอยู่อย่างพิลึกในตัวหนุ่มสาวคู่นี้ผมทําตัวเป็นเจ้าความคิดอยู่จนฟ้าสางอยู่ในห้องรําคาญใจก็เลยลุกออกจากห้องแล้วก็ออกจากบริเวณบ้านมาหากาแฟร้านเจ๊ดื่มเพื่อถ่วงเวลาจนกว่าจะถึงเวลาอาหารจะได้รายงานกิจการที่นายห้างมอบหมายให้ผมทําต่อจากผู้จัดการตามระเบียบ พ อ, อย่างเข้าร้านกาแฟก็พบกับนายทองก้อนที่นั่นซึ่งคิดไว้ตั้งแต่แรกว่าเขากลับไปบ้านแล้วอ้าวนึกว่ากลับไปบ้านแล้วที่แท้ก็อยู่ที่นี่นี่เองโอ้มันจะสว่างอยู่แล้วครับถ้ากลับไปประเดี๋ยวก็ต้องมาอีกผมก็เลยแวะร้านกาแฟอยู่นี่นี่เลยอ่ะดีเลยจะได้คุยกันดื่มกาแฟแล้วก็อะไรอะไรอะไ ร, รองท้องด้วยกันตอนเช้าเชแบบนี้แหละดีผมพูดขอบคุณครับผมเนี่ยรับเสียท้องแปรไปหมดแล้ว ผมเนี่ยนั่งกินกาแฟาตั้งสองถ้วยแนย่เขาพูดแล้วก็เลื่อนเก้าอี้ให้ผมนั่งผมก็สั่งกาแฟาแล้วก็ซาลาเปาเหมือนกับนายทองก้อนบ้างเอ่อคุณสมัยครับเขาเรียกชื่อผมทั้งทางที่ก็นั่งอยู่ด้วยกันผมก็มองหน้าเขาว่าเขาจะพูดอะไรผมว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่เคยมาที่บ้านหลังนี้นะเขากล่าวขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมกาลังคิดแล้วก็กาลังนึกอยู่คุณว่าแบบนั้นเหรอครับผมย้อนถาม เราไม่คิดว่านายทองก้อนจะเป็นคนเจ้าสังเกตรครับเขาตอบรับผมสังเกตว่านายหนุ่มคนนั้นเนี่ยแกระแวดระวังคุณสมัยแล้วก็ระแวงอยู่ตลอดเวลาค ล, คล้ายๆกับว่าเราสองคนเนี่ยจะพาแกมาฆ่ามาแกงอะไรทำนองนั้นแหละเขาพูดจบก็พยักหน้ารับว่าเป็นความจริงอย่างที่เขาพูดแล้วผมก็หัวเราะอย่างครึ่งขันครึ่งโกรธแกมองผมตั้งแต่หัวตลอดเท้าเลยผมว่า ผมว่านายหนุ่มนั่หน่ะแกมากับหญิงคนนั้นอย่างไม่เต็มใจแน่นอนทั้งก็มาในยามดึกผิดปกติแบบคนเขาแกก็เลยเกิดระแวงอะไรต่อมีอะไรนายทองก้อนออกความเห็นผมก็คิดมาหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันสู้ปล่อยท่านทั้งหลายไปตามเรื่องของท่านดีกว่าเรามันลูกจ้างเขาเขาใช้เราทำเราก็ทำไปคิดไปก็เสียสมองเปล่าๆผมพูดตัดบทแล้วเราทั้งสองคนก็หันออกมาคุยเรื่องอื่นกันสนุกไปจนได้เวลาอาหารเช้าในตึก ผมกับนายทองก้อนก็แยกกันตรงนั้นแล้วก็ตรงเข้าไปห้องอาหารของคุณสุรินทร์เลยในห้องนั้นมีอยู่พร้อมกันคือคุณสุรินทร์คุณเรนูและ2หนุ่มสาวนั้นคือกับผมออกไปแอบดื่มกาแฟมาแล้วอ่ะครับกับผมก็เลยจะขอตัวเรื่องอาหารเช้านี้ด้วยผมรีบบอกคุณเรนูและคุณสุรินทร์ไม่เป็นไรคะ่ะคุณเรนูพูด ถึงจะรับประทานอะไรมาบ้างแล้วก็เพียงรับอะไรอีกจุบจิบนิดหน่อยก็ยังดีจะได้แนะนำให้รู้จักกับสองคนที่คุณไปรับคขาวเมื่อตอนดึกนี้ค่ะนี่คุณจิตราหลานสาวของคุณพ่อและนั่นคุณสวัสดหลานเขยของคุณพ่อคุณเรนูแนะนำพร้อมทั้งชี้ตัวผมรีบยกมือไหว้อย่างรวดเร็วตามฐานะของตนที่ต่ำกว่าเช้านั้นผมทาหน้าที่ตักข้าวใส่จานให้แก่ทุกคนแล้วก็ใส่จานของผมเอง คุณจิตราหลานสาวในห้างนี่เป็นคนคุยเก่งพูดจ้อตลอดเวลาแต่คุณสวัสด์ผู้สามีไม่คุยอะไรเลยอาจจะคุยไม่เก่งหรือว่ายังไม่อยากจะคุยผมชำเลืองสังเกตดูก็เห็นพ่อหนุ่มคนนี้แกพินิจ ด, ดูอาหารทุกๆจานที่วางบนโต๊ะอย่างระแวงสงสัยอะไรชอบกลนซึ่งกิริยานี้ก็เป็นกิริยาอย่างเดียวกันที่ระแวงผมมาแล้วและยิ่งกว่านั้นยังแอบพินิจ ด, ดูคุณสุรินทร์อีกด้วย ผมถอนใจเบาๆรู้สึกรำคาญนายคนนี้ซะจริงดูช่างเกิดมาเป็นมนุษย์ขี้ระแวงซะจริงๆแม้แต่คุณเรนูพี่สาวของเมียเขาเองเขาก็แอบชำเลืองมองแต่แล้วก็เกิดสะดุ้งขึ้นน้อยๆแต่รีบทำกลบเกลื่อนด้วยอาการทำเป็นอะไรหรือสำลักแล้วก้มหน้าตักอาหารใส่ปากอย่างน่าสิดนซีดดิฉันมาเสียจากปากน้ำโพได้สบายจังเลยค่ะคุณพี่คุณจิตราพูดกับคุณเรนูพี่สาว ซึ่งคุณเรนูก็มีสีหน้ายิ้มแย้มอยู่อย่างอารมณ์ดีอ๋อยขืนอยู่ไปมันก็แดงเข้าจนได้คุณจิตราพูดถึงคำนี้แล้วก็ต้องชะงักหยุดลงเพราะดวงตาของคุณเรนูผู้พี่ที่หวานจ่อยนั้นกลับเป็นดวงตาเขม็งมองดูผู้พูดทั้งขมวดคิ้วกิริยาทั้งหมดนี้ผมรู้ทันทีว่าคุณเรนูเอง ไม่ต้องการให้น้องสาวพูดอะไรเพ้อเจอ้อในระหว่างที่มีคนอื่นนอกวงญาติเช่นตัวผมที่นั่งอยู่ด้วยรู้เรื่องอันไม่ควรตอนออกไปทำงานที่โรงงานคุณสุรินทร์เรียกผมเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็พูดขึ้นช้าๆสมัยฉันมีอะไรอะไรที่ต้องบอกเธออยู่บ้างนะและเรื่องที่จะพูดนี้เนะี่ยก็เป็นเรื่องที่เธอจะต้องรับรู้ด้วยทีเดียวผมนั่งนิ่งคอยรับฟังคาบัญชาของผู้จัดการอยู่อย่างที่เคยเป็นมาคุณสวัสดนะ์น่ะ เขาจะมาทำงานกับเราคุณสุรินทร์เริ่มเรื่องแต่เขาไม่เคยทำงานมาก่อนเลยอาจจะดูคลุกขลักแต่จะต้องมาเป็นผู้ช่วยฉันเรื่องนี้จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะก็พูดยากฉันอยากจะพูดว่าเขาคือลูกท่านหลานเธอผู้จัดการหยุดพูดแล้วก็อัดควันบุหรี่จนเต็มอึกและพูดต่ออีกว่าสมัยจะต้องรู้ไว้แล้วก็จงตัดความเสียใจไว้ก่อนที่อยู่ๆเขาก็เพ่นมาเป็นผู้ช่วยฉันพูดง่ายๆก็คือ เขามีตำแหน่งบังคับบัญชาเธอรองลงมาจากฉันเธอคงรู้ดีอยู่แก่ใจนะฉันไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเลยแต่มันก็จําเป็นจริงๆผมฟังเรื่องแล้วก็เข้าใจความหมายดีจึงยกมือไหว้ผู้จัดการใจพระของผมและพูดว่าขอให้สุขใจสบายใจเถอะครับกระผมเข้าใจดีในเรื่องนี้กระผมขอแต่เพียงว่าได้รับความรักความกาุณาจากคุณก็เป็นพระคุณที่สุดแล้วอขอบใจเธอมากสมัย ฉันเนีรักเธอจริงๆสมัยเนี่ยมีเพื่อนอยู่แค่สองคนในตึกนี้เมื่อมีคุณสวัสด์เข้ามาอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนคนที่สามผมรับปะและก็รับรองตัวเองพร้อมกับเดินกลับเข้ามาในห้องทํางานแต่พอนั่งโตะทํางานห่างกันก็นึกแปลกใจในคําพูดของผู้จัดการที่ว่าเรามีเพื่อนกันอยู่3มคนในตึกนี้ก็ทําไมล่ะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งมากมายในตึกนี้ก็คุณเรนูผู้เป็นภรรยาล่ะ อีกทั้งน้องๆพี่ๆของคุณเรนูก็มากมายก่ยกองคุณสุรินทร์อนก็จัดว่าเป็นเครือญาติอย่างสมบูรณ์แล้วทำไมไม่จัดว่าเป็นเพื่อนกันในตึกนี้กลับมาแยกแต่เพียงตัวผมตัวคุณสุรินทร์อนและคุณสวัสด์สามคนเท่านั้นเป็นเพื่อนเอ๊ะหรือคุณสุรินทร์อนจะแยกชั้นของเราสามคนเป็นคนละชั้นกับพวกในตึกฟังก็ดูแปลกดีแต่ผมก็พอใจที่ผู้จัดการนับเอาเป็นเพื่อนของท่าน อีกสองสวันคุณสวัสด์ก็เริ่มเข้าฝึกงานกับผู้จัดการพอเขาโผล่เข้ามาในโรงงานในนาทีแรกก็มีสีหน้าตื่นเต้นมากมองดูคนงานอย่างตื่นใจและมองดูผมและคุณสุรินทร์อย่างสบายใจดวงหน้าที่ซีดมาแต่เดิมก็หายไปเลือดฝาดแจมด่มใสดีสนิทสนมกับผมและผู้จัดการเป็นอย่างดีซึ่งผิดกว่าวันแรกที่มาพบกันคุณทำงานที่นี่นานแล้วหรือยังครับเขาถามผมเมื่อมาใกล้โต๊ะผม อ๋อผมเพิ่งมาเหมือนกันครับผมตอบเขาเขามีสีหน้าแปลกใจนิดหน่อยอ๋อคุณเพิ่งมาเหมือนกันเหรอฮะเขาว่าครับผมเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ห้าเดือนเองแหมบุญของผมไม่อย่างนั้นผมแย่เลยเขาพูดออกมาอย่างโล่งใจแต่ผมแปลไม่ออกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีผมแล้วเขาจะแย่ทำไมกันเขาไม่พูดเรื่องให้ตลอดเวลาคล้ายกับจะนึกอะไรขึ้นได้ว่าไม่ควรจะพูด เพราะขณะที่เขาพูดนั้นผมได้มองหน้าเขาเพื่อจะฟังเรื่องให้แจ่มแจ้งเขาก็เลยหยุดพูดเรื่องต่อถไลไปพูดเรื่องอื่นถามเรื่องงานเรื่องการของผมก็เลยไม่กล้าจะถามเรื่องที่เขาพูดค้างไว้อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่มาของมันคืออย่างไรผมรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่ตึกนี้ได้พบแต่ปัญหาต่างๆนับแต่ชาวตึกนี้ไม่สังคมกับใครเหมือนตั้งเมืองของตัวเองขึ้นเมืองหนึ่งเป็นพิเศษ และพ่อเขยใหม่ที่เข้ามาอยู่ในอาณาจากักรนี้ก็มีอะไรแปลกๆที่น่าเป็นปัญหาแต่ต่อมาผมรู้สึกว่าคุณสวัสด์ชักจะติดผมไม่ค่อยห่างผมเลยจนคุณจิตราและคุณเรนูชักจะมองตอนกลางคืนเราซ้อมดนตรีกันหนุ่มหน้าใหม่คนนี้ก็อยู่ใกล้ๆผมเสมอเพราะแกยังไม่สนิทกับคนอื่นในตึกนั้นและยิ่งกว่านั้นดูเขาทั้งหลายจะไม่พิศวาสดเพราหนุ่มคนนี้นักดูเ้าดิดเด็นเิน ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาของคนในตึกนี้อยู่แล้วที่ไม่สังคมกับใครๆแม้แต่จะเข้ามาร่วมเป็นวงญาติแล้วก็ยังถือความใหม่ความเก่าไม่ยอมสนิทสนมง่ายๆวันหนึ่งเป็นวันเสาร์เมื่อคุณสวัสด์เข้าไปหาภรรยาของแกแล้วผมก็เลยเลี่ยงออกข้ามฟากไปหาคุณ น, นบที่วัดระฆังเพื่อระบายความกลัดกลุ่มที่พบปัญหาต่างๆที่ตึกนี้และผู้ที่จะช่วยระบายไขยข้อข้องใจได้ก็มีอยู่แต่คุณ น, นบเท่านั้นท่านมีเหตุผล และเป็นเจ้าพินิษ์วิจารณ์เหตุต่างๆได้ดีผมได้เล่าถึงสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ได้พบเห็นจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆให้คุณนบฟังอย่างละเอียดทุกขั้นตอน